Mm hm mm -hmm. สวดที่เราสาธยายเมื่อสักครู่นะเขาเรียกว่าเป็นอภิธรรมนะอภิธรรมก็คือทำมันทขั้นสูงเรานิยมสวด น, นะในงานอาวมงคลก็คืองานศพซึ่งต่างจากบทสวดที่ใช้สาธยายในงานมงคลนะงานมงคลเช่นนะทำบุญบ้านเปิดร้านวันเกิด หรือว่ า, าการทำบุญทั่วๆไปในงานมงคลเนี่ยบทสวดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุภาพของพระตนตรยัยน้อมใจให้เราลึกถึงคุณพระพุทธพันธรปสงุ์เพื่อจะได้เกิดความอบอุ่นใจรู้สึกมีที่พึ่ง แล้วก็มีความเชื่อในหมู่ชาวพุดว่าถ้าได้สารเสวญคุณพระรัตนไตรก็จะเกิดสิริมงคลอำนวยให้เกิดความสุขความเจริญบทสวดที่ใช้ในงานมงคลเนี่ยก็จะมีเนื้อหาทํานองนี้แหละก็คือว่าถ้าเราระลึกถึงพระรัตนไตรทำคุณงามความดีก็จะทำให้เกิดความสุขความเจริญ ได้แก่อายุวันน่าสุขภาระมียศมีสิรินะปลอดพ้นจากโรคปลอดพ้นจากภัยนะปลอดพ้นจากทุกท้องพวงนะอุปัทวะทั้งหลายความเจริญทั้งปวงนะก็ไม่มาแพ้วผ่านส่วนอภิธรรมเนี่ยที่เราสวดกันอภิธรรม7จคำพีเนี่ยหรือแม้แต่มาติกา เนื้อหานี่จะแตกต่างกันมากทีเดียวเลยนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะล้วนๆธรรมะขั้นสูงที่เราปรมัตฐธรรมในบทสวนี่ถ้าเราดูคำแปลเนี่ยก็จะพบว่าไม่มีการกล่าวถึงตัวบุคคลเลยนะมีแต่เรื่องธรรมะล้วนๆก็คือขันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุอายตนะแม้แต่ อ่พระัตนตรัยนะที่เอ่ยมากาในบทเจริญพุทธมนต์เนี่ยนะในพระวิธรรมก็ไม่มีกล่าวถึงเลยมีการพูดถึงเรื่อ ง, องบุคคลบ้างนะก็ในบทที่ชื่อว่าปุคละปัญญาตินะแต่บทสวดอีกหนะคำพีนี่ไม่มีการเอ่ยถึงบุคคลนะ ไม่มีการเอ่ยถึงสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเลยเป็นธรรมะล้วนๆเพราะว่าปรมาถ ธ, ธรรมเนี่ยนะธรรมะขั้นสูงเนี่ยมันไปพ้นเรื่องของตัวบุคคลไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอย่างที่ในบทที่ชื่อว่ากถาวัตถุเนี่ยนะก็จะมีประโยชน์หนึ่งบอกว่าหลอกค้นหาบุคคลไม่ได้ในปรมาภะฟังแล้วก็อาจจะงงนะก็หมายความว่าในปรมาถ ธ, ธรรมหรือปรมาถสัจจาเนี่ยมันไม่มี สิ่งที่รลบุคคลมันมีแต่ธาตุมีแต่ขันมีแต่อายตนะนะก็คือเป็นสภาวลดล้วนบทสวนที่เราใช้สาธยายในงานมงคลเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดถึงสมมุติสัจจะความจริงทีเ่เรียกว่าสมมุติก็ได้นะ ก็มีเรื่องของตัวบุคคลนะเช่นว่าถ้าหากว่าเราได้ทำคุณงามความดีนะเราก็จะประสบความสุขความเจริญนะมีตัวบุคคลนะเข้าไปเยอะทีเดียวอันนี้เราเป็นสมมติสั จ, จ น, นะซึ่งก็เป็นการอ่าเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจเป็นพื้นอยู่แล้วนะ เมื่อเข้าใจว่ามันมีตัวตนมีคนมีเรามีเขามีนายกนายขอก็ก็ให้มันทําความดีเอาไว้มันเลื่อถึงพระรตนาตรายเอาไว้ก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญนะปลอดพ้นจากโรคาพยาธินคะําว่าสุขความว่ า, ว า, วาจเจริญคําว่าอายุวันนสุขขาพลาเนี่ยนะเอ่ยมากเอ่ยถึงมากนะั้นในบทสดมนงานมงคล แต่ว่าในงานพิธีทำนี่ไม่มีเลยนะเพราะว่าสุขหรือทุกข์นี่มันก็เป็นเรื่องของสมมุติเหมือนกันมันยังมีการสมมุติวันอย่างนี้เรื่อสุขอย่างนี้เรื่องทุกข์นะตามภาษาชาวโลกพูดอย่างง่ายๆ่ยคือว่าในบทสวดเจ้าพระพุทธมนต์เนี่ยมันเป็นการพูดตามภาษาชาวโลกคนก็อยากได้ฟังนะเรื่องความสุขความเจริญนะเรื่องสริเรื่องมงคล แต่ว่าในาพิธรีรรมนี่เป็นเรื่องของการพูดภาษาธรรมล้วนๆนะแทบจะทั้งหมดนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าในงานอาวมงคลเนี่ยนะทุกคนก็มางานนะเพื่อราลึกเนื่องในการที่มีบุคคลได้สูญเสียและบุคคลที่สูญเสียก็มักจะเป็นที่รักนะอย่างเช่นในโอกาสนี้ก็ในหลวงก็เสดสวรรคนะ ขะนี้เนี่ยการที่พระเนี่ยพระท่านพยายามพูดถึงเรื่องของธรรมะขั้นปรมตทสัจจะเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหมายความว่ามันไม่มีอะไรนะทนี่มันไม่มีใครที่ตายจากไปเพราะมันไม่มีคนตั้งแต่แรกแล้วในคําสอนเนี่ยนะท่านจะพูดว่ามันมีทุกข์แต่มันไม่มีผู้ทุกข์ นะมีแต่ความทุกแต่ไม่มีผู้ทุกนะมีความตายแต่ไม่มีผู้ตายนะก็เป็นเพียงแต่ว่าขันห้ามันแตกดับสลายไปหรือว่าธาตุสีมันคืนสู่ธรรมชาติไปฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความหมายของพระพิธรรมเนี่ยที่สวดเนี่ยแล้วเข้าใจน้อมใจไปเรื่อยๆก็จะพบก็จะได้ เห็นความจริงว่าที่จริงแล้วมันไม่มีใครตายก็มีแต่ธาตุที่สลายไปนะมีแต่ขันนะที่แตกดับไปอันนี้มอพิจารณาก็จะทำให้คลายความเศร้าโศกได้นะเพราะว่าถ้าเรามีความคิดมีความสำคัญมั่นหมายว่าคนที่เรารักเช่นบิดามารดาลูกเพื่อนตายไปเนี่ยนะก็จะเกิดความเศร้าโศกแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่ามันไม่มีใครตั้งแต่แรกนะ มีแต่ขันทนะ่าที่มารวมกันแล้วเราก็เรียกขันท่าที่รวมกันนั้นว่าบุคคลนายกนางสาวขอนะพอเห็นอย่างนี้เนี่ยเข้าใจว่านี้ก็จะเกิดความยึดติดแล้วก็พอบุคคลนั้นนะตายสิ้นชีวิตถึงแก่กรรมถึงแก่มรณะนะก็จะเกิดความอะไรแต่เมื่อเราได้เห็นความจริงว่าไม่มีใครตายไม่มีผู้ตาย มันมีแต่ธาตุสี่นะดินน้ำไฟลมคืนสู่ธรรมชาติหรือว่าขันท่านะได้แตกสลายไปก็จะช่วยทำให้บรรเทาความเศร้าโศกได้อันนี้ก็เป็นอ่าเข้าใจว่าเป็นจุดมุ่งหมายนะที่คนโบ ร, ราณเนี่ยจะนิยมให้สวดนะอภิธรรมนะในงานศพนะโดยอาศัยความจริงนั่นแหละนะ เป็นเครื่องเยียวยาความทุกข์นะคือถ้าเราถ้าเราเห็นความจริงนะความทุกข์ก็จะบรนเทาเบาบางเพราะว่าเมื่อใครคนใดคนหนึ่งตายเนี่ยมันไม่มีทางที่เขาจะฟื้นคืนกลับมาได้แต่ว่าถึงแม้เขาจะไม่ฟื้นคืนกลับมาแต่เมื่อเราได้เห็นความจริงทะลุสมมติสัจจะไปถึงขั้นปรมาิติสัจก็จะเห็นว่าเออไม่มีใครตายนะมีแต่ขันห้าแตกดับไป นะมีแต่อายตา ن ا สิบสอง น, นะเสื่อมสลายไปอันนี้ก็จะช่วยทำให้ความเศร้าโศกนะบรรเทาเบาบ า, บางเพราะว่าความยุติดในตัวบุคคลเนี่ยนะมันเป็นที่หมางความทุกข์ผู้เจ้าเคยตรัสนะแย้งกับเทวดาเทวดาบอกว่ามีลูกก็สุขเพราะลูกมีโคก็สุขเพราะโคนะผู้เจ้าก็แย้งว่ามีทุกข์ก็ มีลูกก็ทุกพระลูกนะมีวัวหรือมีโคก็ทุกพระโคที่ทุกเนี่ยไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะมีนะแต่พราะไปยึดนะว่านี่ลูกเราเนีนี่วัวของเรามันมีความยึดติดเป็นตัวเป็นตนนะทั้งตัวเราของเราหรือตัวกูของกูนะพอสิ่งนั้นนะเสื่อมสลายหายไปบางทีก็ไม่ถึงกับตายนะเพียงแต่ว่า มีการพัดพรากจากกันนะก็เกิดเป็นความทุกข์พวกเราชาวพุทธเนี่ยนะการที่จะเข้าใจทำความเข้าใจเรื่องปรมาทัศน์สัจจะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าความจริงนะในเรื่องปรมาทัศนสัจจะเนี่ยจะทำให้ความทุกข์เนี่ยนะมันไม่มากอบกลุ่มจิตใจได้บทส่วนมนหลายบทเนี่ยนะจะพูดถึงป ร, ปรมาทัศน์สัจจะเนี่ย เช่นบทพิจารณาบทพิจารณาปัจจสี4เลียวธาตุปัจจเวกเนี่ยพวกเราอาจจะได้เคยสวดนะสัทยายมาบ้างแล้วก็จะพูดว่าเนี่ยมันมีแต่ธาตุล้วนๆนะมีแต่ธาตุล้วนๆมันไม่มีเราไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะธาตุปัจจเวกคือการพิจารณาธาตุนะเป็นการมองทะลุความจริงขัน้นสมมติสัจจะทะลุ ภาพลวงว่ามีตัวมีตนมีคนมีสัตว์มีบุคคลเราเขาไปจนเห็นความจริงว่ามันมีแต่ธาตุนะมันไม่มีอะไรเลยนอกไปจากนั้นเป็นการมองความจริงชนิดเลอะทะลุไปเลยนะก็คงคล้ายๆกับร่างกายของเราแต่ละคนเนี่ยจะเป็นนายกรนายขอจะเป็นฝรั่งเป็นไทยคนรวยคนจนเป็นพระคารวาสแต่ถ้าเรานะมี เรื่องจุลธาตุเนี่ยเอาชิ้นเนื้อนะของแต่ละคนมาดูเนี่ยมาส่องกล้องทะลุไปก็จะพบว่าก็ประกอบไปด้วยเซลล์แล้วก็เซลล์ของแต่ละคนแต่ละคนก็เหมือนกันหมดเลยมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะไอความแตกต่างเนี่ยเป็นความแตกต่างโดยสมมุตินะหรือว่าเป็นการแตกต่างแบบผิวเผินนะแต่มองทะลุลงไปแล้วเนี่ย เซลล์ cell ที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายของแต่ละคนนี่มันเหมือนกับหมดเลยยิ่งทะลุเซลล์มองทะลุเซลล์ไปจนกระทั่งไปถึงระดับอะตอมนี่มันก็บอกไม่ออกพูดแยกไม่ออกเลยนะว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างเพราะว่าร่างกายแต่ละคนก็ประกอบไปด้วยเซลล์ประกอบไปด้วยอะตอมนะนิวตรอนโปรตอนต่างๆที่ที่คล้ายคลึงกันหมดนะ อันนี้พูดแบบวิทยาศาสตร์นะแต่ถ้าพูดแบบพุทธนะก็คือมันประกอบไปด้วยธ า, าตุนะดินน้าไฟลมนะมันไม่มีตัวตนบุคคลเราเขานะสิ่งที่เลวันนายกนางขอนี่ก็เป็นสมมุติแม้กระทั่งที่เรียกว่านี่มนุษย์นี่สัตว์นะนี่คนไทยนี่ฝรั่งนี่ก็สมมุตินะแม้แต่คนและสัตว์นี่ก็แท้จริงแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันนะโดยความเป็นธ า, าตุนะโดยความเป็นขันให้เข้าใจน ะ, ะการมอง ความจริงแบบพุทเนี่ยนะถึงสิ้สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีคนมันไม่มีคําว่าใครคราวหนึ่งเนี่ยมีพราหมณ์เนี่ยมาโตว่าทากับผู้เจ้าแล้วก็ถามผู้เจ้าว่าใครเป็นผู้เสวยเวทนาหรือว่าใครเป็นผู้ที่นะรับผัสสะนะผู้เจ้าก็ตอบว่าถามอย่างนี้ไม่ถูกนะ เพราะมันยังมีคําว่าใครอยูนะ่ขึ้นชื่อว่าถามว่าใครเป็นผู้สวยเวทนาหรือว่าเวทนาเกิดขึ้นกับใครเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าความจริงขั้นสูงสุดมันไม่มีใครภูจ่า ก, ก็เลยตอบว่าถ้าจะถามที่ให้ถูกต้องต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือความจริงขั้นปรมาเนี่ยมันไม่มีใครมันมีแต่ คำถามว่าอะไรนะใครสวยเวทนาถามไม่ถูกต้องถามว่าอะไรทำให้เกิดเวทนาหรือเป็นปัจจัยเกิดเวทนาอะไรเป็นปัจจัยเกิดผัสสะเพราะฉะนั้นคาว่าถามว่าใครตายเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีแต่คำว่าอะไรนะอะไรที่แตกดับไปก็ตอบได้ว่าขันท่านั่นแหละ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในส่วนรูปก็ประกอบไปด้วยธาตุธาตุสี่ธาตุห้าก็แตกดับไปเหมือนกันดังที่มีคําพูดว่าครูบาจารย์ท่านรัตสังขารนะหรือว่าคืนสังขารเนี่ยก็ความหมายนึงก็คือว่าสังขารมันแตกดับไปนะนี้ถ้าเราเข้าใจความจริงขั้นปรมาสนี่นะเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจด้วย ด้วยความคิดนะแต่ว่าเห็นจริงๆเนี่ยให้ความยุติดถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็จะคลายไปเพราะว่าไอ้ความยุติถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามองไม่เห็นความจริงขั้นปารามักยังติดอยู่ความจริงขั้นสมมุติว่านี่ น, นี่เรานี่เขานะแล้วมันก็มีสมมุติซ้อนกันมากมายเราเขาไม่พอนะก็ยังมีการสมมติว่า นี่คนไทยนี่พมา่านี่ฝรัง่งนี่โรฮินจานอันนี้สมมติมากเลยนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่าเกิดที่ไหนนะถ้าเกิดในชายแดนในในพรมแดนของไทยนะเราก็เรียกว่าเป็นคนไทยแต่ถ้าเกิดในอีกฝั่งหนึ่งของพรมแดนนะก็กลายเป็นพมา่าไปคนจีนนะที่ไปคลอดลูกที่อเมริกาลูกที่เกิดมาก็เป็นอเมริกัน ท่านังที่หน้าตาก็เป็นจีนนะเชื้อชาติก็เป็นจีนอันนี้มันสมมุติมากเลยหลายคนก็อาจจะสามารถจะถอนสมมุตินี้ได้ว่าเอ้ยจีนไทยโรฮินญานะอเมริกันมันก็มนุษย์เหมือนกันแต่การมองแบบนี้ก็ยังติดสมมุติอยู่นะเพราะว่ายังมีการแบ่งแยกว่านี่มนุษย์นี่สัตว์นะแต่จริงแล้วเนี่ยในขั้นปรมมัตธสัจจาแล้วเนี่ยมันไม่มี มันมันไม่มีการแบ่งอย่างนั้นด้วยซ้ำนะมันไม่มีสิ่งที่เราสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีแม้กระทั่งตัวฉันนี่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าทันทีที่เรายึดว่ามันมีตัวฉันเนี่ยหรือมีตัวกูเนี่ยนะมันก็จะเกิดของกูขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นนะว่าตัวกูนี้นะต้องเที่ยงของกูก็ต้องเที่ยงเหมือนกันนะซึ่งมันเป็นการ มันเป็นความสําคัญมั่นหมายที่สวนทางกับความเป็นจริงแล้วพอมีอะไรเกิดขึ้นกับกายก็จะเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาทันทีเช่นเวลาปวดเวลาเมื่อยนะเวลาเจ็บเวลาป่วยเกิดขึ้นกับกายเนี่ยมันก็จะทุกข์เลยนะเพราะว่าเกิดความสําคัญมั่นหมายว่ากูป่วยกูเมื่อยนะกูเจ็บหรือเวลาร่างกายนี่มันชรามันเหี่ยวก็จะทุกข์เพราะมีความสําคัญมายว่ากูแก่ นะกูชาราลองดูเอะนะให้ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันรุนแรแ้วตแต่มีกูเป็นศูนย์กลางเท่านั้นแหละทำไมถึงเจ็บปวดเป็นทำไมถึงทุกข์ถึงโปรดเวลามีคนมาด่าก็เพราะมันมีความสำคัญมากว่ากูถูกด่านะกูเสียหน้านะนะทำไมถึงมีความเศร้าโศกเวลาเข้าของทรัพย์สมบัติสูญหายไปมีคนลักเข้าไป ก็ความมีความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าของของกูถูกขโมยไปให้ความทุกข์ใจทั้งหลายเนี่ยนะมันล้นแล้วแต่มันมีมีศูนย์กลางอยู่ที่ความยึดมั่นความสําคัญมั่นหมายในตัวกูนะแต่เมื่อเราก็ตามที่เราเห็นว่าตัวกูมันไม่มีนะมันมีแต่กายกับใจมีแต่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณหรือพูดสั้นๆ ย, ยาวๆ ว, ว่ากายกับใจเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับกายก็ไม่ทุกข์นะ ทุกกายเนี่ยมีอยู่แต่ว่าทุกใจเนี่ยมันไม่มีนะหรือมีน้อยมากมีคราวหนึ่งเนี่ยนะหลวงปู่บุตรดาท่านไปไปผ่าเอานิ้วออกนะหลวงปู่บุทดานี่ท่านมรณภาพไปเมื่อร้เมื่อสักยีสบกว่าปีมาแล้วตอนที่มรณภาพก็อายุร้อยพรรษา100ปีนะถ้ามีชีวิตปันนี้ก็ออกประมาณอายุ123ปี พอผ่าเสร็จไม่ถึงสิบห้าทีท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วเขายัางช่วแล้วลคือท่านจะออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอพยาบาลก็ตกใจแปลกใจว่าหลวงปู่ไม่เจ็บเหลอคนที่ผ่าน้อยกว่าท่านเนี่ยก็ยังบ่นว่าเจ็บยังอดครวนว่าปวดหลวงปู่ทาไงถึงไม่เจ็บหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าร่างกายของหลวงปู่ก็มันก็เหมือนคนธรรมดาแหละทําไมจะไม่เจ็บแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้เจ็บป่วย ไปกับกายด้วยนี่สำคัญนะคือคนธรรมดาเนี่ยพอมีความเจ็บปวดที่กายเนี่ยจะไม่ได้เห็นเพียงแค่นั้นแต่ว่ายังเกิดความรู้สึกว่ากูปวดนะฉันเจ็บนะมันมีตัวฉันขึ้นมาเป็นผู้เจ็บนะและพอมีความสำคัญมากมายแบบเนี้นะใจมันทุกเลยนะใจมันทุกอดครัวนันทีเลยอันนี้เพราะว่ามองไม่เห็นความจริงนะ ว่าจริงๆแล้วนี่มันไม่มีตัวเรามัน ม, มีตัวฉันมัน ม, มีแต่กายกับใจใการที่เห็นว่ามันไม่มีตัวเราเนี่ยเห็นแต่มีแต่กายกับใจก็เป็นเพรเข้าถึงความจริงขั้นปรมัติตนะพรงั้นพอกายปวดนะมันก็ปวดแต่กายนะใจไม่ได้ทุกข์ด้วยอีกคราวหนึงถ้าไปรํานิมนต์ไปฉันบ้านโยมนะก็มีพระไปฉันด้วยเป็นคณะบอกว่าอาหารเป็นพิษพระทั้งคณะนี่ก็ อาจเจียนก็เป็นแถวเลยแต่หลวงปู่เนี่ยนะท่านก็ยังสามารถจะนั่งสนธนากระยาดโยมได้ขณะที่พระรูปอื่นเนี่ยหนุ่มกว่ามีกําลังวังชาแข็งแรงกว่าอาจเจียนจนหมดแรงนะต้องนอนหมดสภาพไปเลยพาะยาดโยมก็แปลกใจหลวงปู่เนี่ยอายุมากแล้วนะทำไมท่านไม่หมดสภาพไปกับเหมือนกับพระรูปอื่นนะท่านมีอะไรดีหรือเปล่านะ ท่านพู้กัโยมไปนะสักพักท่านก็เอากระโถนมาอาเจียนแล้วก็คุยกับโยมต่อนะโยมถามท่านก็นเลยอธิบายว่าร่างกายมันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่นะเวลาโดนยาเบื่อยาเมามันก็จะอาการต่างๆนานาอย่างที่เห็นละก็คืออาเจียนนะแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้โดนด้วยไม่ได้โดนนั่นแหละไม่ได้โดนยาเบือ่อนะไม่ได้โดนสารพิษเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ทุกเนี่ย นะก็ยังทําให้ยังสนทนากับญาติโยมได้พูดง่ายคือป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยผ่นะาลูกอื่นเนี่ยป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจนะเพราะว่ายังมีความสําคัญบรรมหมายว่านะมีกูอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท้องไส่พอท้องมันคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นอาการของกายนะแต่มองว่ามันเป็นอาการของกูนะ กูขึ้นไส้กูกูทุกนะใจมันก็เลยทุกไปด้วยนะอันนี้เรียกว่ามองไม่เห็นความจริงขั้นปรมาจนะก็เลยยังมีความยึดติดในตัวกูพอมีอะไรเกิดขึ้นกับกายก็ดีพอมีอะไรเกิดขึ้นกับวัตถุสิ่งของทรัพสมบัติก็ดีก็เลยนะไม่ใช่แค่ป่วยกายไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพนะแต่ว่าใจก็ทุกข์ด้วยอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเนี่ยนะท่านก็พิการ พิการตั้งแต่อายุยี่สบสี่ก็พิการมาสิกว่าปีนะตลอดเวลาก็มีความทุกข์มากเพราะว่าช่วยตัวเองได้ยากนะพิการตั้งแต่คอลงมามือก็ไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วก็ไม่มีอนาคตเลยในใจก็นึกรอวันตาย <S <S 1> <S 1> แต่พอได้มาปฏิบัติธรรมได้มาเจริญสติโดยการแนะนําโดยอาศัยการแนะนําของหลวงพ่อคำเขียน อาจารย์กํำพลสร้างจังหวะไม่ได้ก็แค่พลิกมือไปพลิกมือมาเดินจงกรมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพลิกมือไปพลิกมือมาพราะการเจริญสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องมีอากาศสายสครบถึงจะปฏิบัติได้ถ้ายังมีความรู้สึกตัวยังมีลมหายใจถ้ายังขยับขยื่อนกายได้แม้นิดหน่อยเนี่ยก็ปฏิบัติได้เวลาปฏิบัติก็ให้พิจารณาไอ้ที่พลิกเนี่ยมเป็นรูปไอ้ที่คิดเนี่ยมเป็นนาม ไอ้ที่พลิกเนี่ยไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราพลิกมันเป็นมือที่พลิกไอ้ที่คิดนี่ก็ไม่ใช่เราคิดนะมันเป็นความคิดแค่ที่เกิดขึ้นหรือนามท่านก็ปฏิบัติไปแค่เดือนเดียวนะปอกกว่าเห็นความจริงเลยนะโอ้มันไม่มีเรานะมันมีแต่รูป ก, กับนามแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าเราพิการเราพิการที่จริงไม่ใช่เราพิการมันเป็นแต่กายพิการนะใจไม่ได้พิการด้วยพอเห็นความจริงแบบนี้นี่ เรียกว่าความทุกข์นี้มันปลดออกไปเลยนะตอนหลังก็บอกเนี่ยสามารถจะพูดได้เต็มปากว่าเราออกจากความทุกข์แล้วแคนที่ยังติดสมมุติเนี่ยนะยังยึดในตัวในตัวตนอยู่เนี่ยยังมีตัวตนอยู่เนี่ยก็จะเป็นทุกข์มากเพราะสําคัญบรรหมายว่าฉันพิการฉันพิการนะแต่ที่จริงแล้วมันไม่มีฉันนะมันไม่มีใครพิการอยู่แล้วนะมันมีแต่ว่าอะไรพิการนะก็คือกายพิการ คนส่วนใหญ่เนี่ยไปติดคำว่าใครหรือคนนะไม่ได้เห็นความจริงว่าจริงๆมันไม่มีใครไม่มีคนมันมีแต่อะไรเราอาจจะไม่มียังแม่ยังไม่อาจจะเห็นความจริงขั้นประมัดนะชนิดที่เรียกว่าหลุดพ้นจากความสำคัญบ่นหมายในตัวในคนในสัตว์ในบุคคลในเราในเขานะแต่ว่าเราก็สามารถจะเห็นความจริงนะ ขั้นปรมามัตดได้เทเลนิตเทเลนิตได้นะจากการเจริญสตินี่แหละอาจจะยังมีความยึดในตัวเราอยู่นะแต่ว่าการเจริญสติมันก็ทำให้เราได้เห็นนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายมีอะไรเกิดขึ้นกับใจมันก็เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของใจนะเวลาเดินเนี่ยถ้าเรามีสติมันก็ไม่ใช่เราเดินนะมันเป็นรูปนะที่กําลังเดินเวลามีความคิดมีความโกรธมีความหงุดหงิดเนี่ย มันก็ไม่ใช่เราคิดมันไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราหงุดหงิดนะสติทําให้เราเห็นว่ามันมีแค่ความคิดเกิดขึ้นในใจแค่ความหงุดหงิดหรือความโกรธเกิดขึ้นในใจมันไม่มีเรานะเป็นผู้โกรธเป็นผู้หงุดหงิดเป็นผู้คิดนะถึงแม้ว่าเรายังมีความยึดในตัวเราอยู่แต่สติมันก็จะทําให้เห็นว่าไอ้ที่คิดเนี่ยไม่ใช่เราคิดมันแค่มีความคิดเกิดขึ้นไอ้ที่หงุดหงิดเนี่ยนะมันไม่ใช่เราหงุดหงิดความหงุดหงิดไม่ใช่เรานะ มันแค่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจดูสภาวะความโกรธความดีใจก็เหมือนกันนะมันไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราดีใจแต่ว่ามันเป็นแค่สภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นในใจหรือเกิดขึ้นกับใจตรงนี้แหละที่มันทำให้เราเข้าห่างไกลาจากคําว่าใครแล้วเข้าใกล้ความจริงว่าอะไรนะอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นในใจนะ การเจริญสติเนี่ยมันทำให้เราเขยืดเข้าใกล้ปรมาทิตย์จะเข้าใจเข้าใกล้ความจริงที่มันไปพ้นเรื่องตัวตนนะเรื่องเราเรื่องเขานะเรื่องคนหรือว่าตัวกูของกูแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทําได้ง่ายนะถ้าเรามีสตินะมันก็จะอ้ออกความโกรธนี่ไม่ใช่เราไอ้ความหงุดหงิดก็ไม่ใช่เรามันแค่อาการที่เกิดขึ้นกับใจความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้น มันก็ไม่ใช่เราปวดไม่ใช่เราเมื่อยนะมันเป็นแค่ความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับกายถึงแม้ว่าเรายังมีความยึดนะว่ามีตัวเรามีของเราอยู่แต่ถ้าเราเจริญสติบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงของกายและใจนะที่ช่วยที่ช่วยเพิกถอนให้ความสําคัญบรรทัดในในคนในเราไปนะแล้จะเห็นความจริงอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะมันเป็นความจริงขั้นพื้นฐานนะ สติปฐาน4ี่เนี่ยที่ว่าเนี่ยกายานุปัสสนาคือการเห็นหรือพิจารณากายในกายเวทนานุปัสสนาพิจารณาเวทนในเวทนจิ ต, ตานุปัสสนาพิจารณาหรือมันเห็นจิตในจิตนะธรรมานุปัสสนาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมความหมายนั่คือว่าเมื่อเห็นกายในกายคือเห็นกายว่าเป็นกายนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เมื่อมีเวทนาก็คือก็เห็นว่าเวทนานั้นเป็นเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันเป็นแค่อารมณ์แต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสุดท้ายเมื่อมีธรรมใดเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์ไม่ว่าจะเป็นคันไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์ตรตณะมันก็เป็นศักแต่ว่านิวรณ์ศัแต่ว่าคันศักแต่ว่าอินทรีย์นั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานันนมันเป็น สิ่งที่ช่วยทําให้ทะลุนะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทําให้เราทะลุสมมติสจัจจะเข้าไปเห็นปรมาทัตน์สัจจะซึ่งมันจะช่วยทําให้ความทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นกับเรามันเบาบางลงมีอะไรมากระทบจิตใจเกิดความโกรธเกิดความคุณมัวก็เห็นมันนะแต่ว่าไม่ได้ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราไม่เกิดความรู้สึกว่าเราโกรธ ไม่เกิดความรู้สึกว่าเราทุกข์นะมันแค่มีความทุกข์เกิดขึ้นกับกายหรือเกิดขึ้นกับใจท่า น, น, นี้เป็นวิชาที่สําคัญนะในการที่จะช่วยทําให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงแต่ในขณะที่เรายังอย่าแล้วก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถจะเห็นความจริงที่มนปรมามัตดได้ยังมีความเชื่อมีความสําคัญมั่นหมายว่ามีเรานะมีตัวมีตนอยู่ แต่งน้อยๆเนี่ยการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราใช้ตัวใช้ตนเนี่ยตามที่ยึดถือเนี่ยนะไปในทางที่ขอให้เกิดประโยชน์เช่นะใช้ตัวตน น, ะนี้เนี่ยเพื่อการทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะยังมีเรามีเขาอยู่ก็ให้เราเนี่ยนะเป็นมิกับเขา เอือเฟื้อเก้อกูลเขาแม้ว่าเขา那เนี่ยจะเป็นคนใกล้หรือคนไกลนะจะเป็นคนเชื้อชาติภาษาศาสนาเดียวกันหรือคนละเชื้อชาติคนละศาสนาคนละภาษาแม้กระทั่งขยายไปจนถึงสัตว์ต่างพันนะคือไม่ใช่มนุษย์นะแต่เป็นสัตว์นะจะเป็นหมาเป็นแมวนะจะเป็นสัตว์ตะไลกระต่าเนี่ยก็มีความเอื้อเฟือเก้อกู ล, กลอย่างที่เราได้ จี่เรนาแผลไม่ตามว่าสักครู่เนี่ยว่าอย่าได้มีเวทมีกรรมต่อกันและกันเลยนะอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอันนี้ก็คือการที่ยังมียังมีการมองว่ามันมีเรามีเขาอยู่นะแล้วก็มีทั้งเพื่อนมีทั้งบุปการีมีศัตรูมีปรปักษ์นะ ไอ้ผู้ที่กิก็เป็นสมมุดนะแต่ตาบดที่เรายังยังยึดในสมมุตดยังติดในสมมุติที่อยู่ก็ใช้สมมุดเนี่ยไปนในทางที่เป็นประโยชน์ก็คือแทนที่จะเป็นปฏิปักต่อกันนะก็เพื่อเฟื่องเพื่อกลูนกันขณะที่ยังมีตัวมีตนอยู่ก็พยายามเพ่งกับตัวให้น้อยลงทําความเพ่งแก่ตัวให้ลดน้อยถอยลงตาบใดที่ยังมีอัตราอยู่ก็ให้อัตรานี้มันเล็กลงนะมันเบาบางลง อันนี้ก็คื อ, อสิ่งที่เราทำได้นะในขณะที่เรายังไม่สามารถจะเข้าถึงปรมตทสัจจะได้ยังติดอยู่ในสมมติสัจจะก็ยังติดอยู่ในความยึดมั่นว่ามีเรามีเขามีตัวมีตนมีกูมีของกูเราก็ใช้ตัวกูนี่นะเพื่อให้เกิดประโยชน์นกับผู้อื่นและขณะเดียวกันก็ลดตัวกูให้ลดน้อยให้มันเบาบางลง เริ่มต้นด้วยการเอ็นกับตัวให้น้อยลงนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้มากขึ้นและที่สมคัญคือว่าเมื่อมีตัวมีตนแล้วนี่ก็อย่าไปเบียดเบียนตนจริงๆเนี่ยการยึดว่ามีตัวมีตนเนี่ยมันก็ทุกพอแรงอยู่แล้วนะเท่านั้นไม่พอหลายคนเนี่ยนะก็ยังเบียดเบียนตนอีกนะมีความโกรธก็ไม่รู้จักสละความโกรธออกไปนะยังเก็บยังหวงยังแหงความโกรธเอาไว้มีความเศร้า ทั้งทั้งที่รวมมันบีบคันจิตใจก็ยังเก็บยังหวงยั ง, แ ห, แ, ง, นะงหแหนความเศร้าไวมันก็แปลกนะบางทีคนเราหวงแหนความเศร้าความโกรธยิ่งกว่าหวงแหนทรัพย์สิทรัพย์สมบัติเนี่ยนะเราก็ยังยังใจกล้าน ะ, ะยังพร้อมที่จะสละสละเงินทำบุญเป็นพันเป็นหมืน่นบางทีสละเงินเป็นแสนเพื่ อ, อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือว่าช่วยสร้างวัดบาอารามแต่ว่ากลับไม่ยอมสละความโกรธเวลาโกรธใครเนี่ยนะมันโกรธอย่างเหนียวแน่นมากนะบางทีโกรธเป็นสิปีก็มีถ้านั้นไม่พอนะเวลามีคนมาชักชวนมาแนะนําว่าให้อภัยก็ไปเถอะมันจะได้หายโกรธไปแนะนําให้เขาไปแนะนําพอมีคนแนะนําว่าให้อภัยก็เถอะนะให้เราเนี่ยกลับจะโกรธคนแนะนำํำนะ แนะนำอย่างนี้ได้ยังไงเป็นพวกเดียวกันเหรอเป็นพวกเดียวกับมันเหรอถึงแนะนำว่าให้ฉันให้อภัยมันอันนี้เรียกว่าอะไรแปลว่าแสดงแสดงว่าหวงแหนความโกรธมากไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางความเศร้าก็เหมือนกันนะเวลาเศร้าเนี่ยก็จะเอาแต่เจ้าจุกนะจมอยู่ความเศรา้าคิดแต่เรื่องที่ชวนให้เศรา้านึกถึงแต่ความพลาดพลาดสูญเสียคนรักแล้วคิดจม มีคนมาชวนให้ไปเที่ยวมีคนมาชวนให้ไปทำนั่นทำนี่เพื่อจะได้คลายจากความเศร้าไม่ยอมไปนะก็จะยังยืนกลานดึงดันเนะี่ยขอนั่งเจ้าจุกต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมที่เรียกว่ายังหวงแหนความเศร้าอย่างนี้แหละที่เราเบียดเบียนตนนะเรียกว่าซ้ำเติมตัวเองบางทีเงินถูกโกงรถถูกขโมยแทนที่จะเสียแต่ของเสียแต่ทรัพย์นะ ก็ปล่อยให้ใจเนี่ยจมดิ่งเห่ื่อความเศร้านะความอาลัยความเสียใจแทนที่จะเสียแต่รถเสียแต่ทรัพย์ก็ใจก็เสียสุขภาพจิต ก, ก็เสียตามมาด้วยสุขภาพกายก็เสียเพราะว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ยอมกินไม่ยอมนอนงานการก็ทาไม่ได้เสียงานอีกอารมณ์หงุดหงิดใส่คนรอบข้างใส่เพื่อนใส่ลูกเสียเพื่อนเสียสมบันธภาพอีกอันนี้เราซ้าเติมตัวเองนะ อั น, นี้เราเบียดเบียนตนอย่าง น, น้อยๆเนี่ยคนเราก็ายังมีความยึดในตัวตนอยู่ก็เบียดเบียนตัวให้น้อยลงรักตัวเองให้มากขึ้นรักตัวเองให้ถูกนะขุจา้าตรัสว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อรักตนนะเมื่อหวังเฉพาะธรรมเบื้องสูงจึงทําความเคารพพระธรรมนะคนที่รักตนจริงๆถ้าเรอยากถูกต้องเนี่ยก็จะหวังคุณเบื้องสูงนะแล้วก็จะพยายามที่จะหาทางถ่ายถอนความทุกข์ไปจากจิตใจ มีความโกรธก็จะไม่หวงแหนความโกรธไว้พร้อมจะสละพร้อมจะปล่อยพร้อมจะวางทันทีมีความเศร้าเมื่อไหร่ก็จะไม่หวงแหนมันเอาไว้ก็จะปล่อยก็จะวางมันทันทีนะไม่ใช่ว่าเงินทองสละได้นะแต่ว่าความโกรธกับหวงแหนเงินทองสละได้แต่ความเศร้าหวงแหนเอาไว้ก็กลายเป็นว่ารักความเศร้ารักความโกรธยิ่งกว่ารักทรัพย์สินนะ รักทรัพย์นี่คือรักรอเรือนะและบางคนเนี่ยนะรักทรัพย์ยิ่งกว่ารักตัวเองด้วยซ้ํานะเงินหายแก้แหวนเงินทองนะถูกขโมยไปกลุ้มอกกุ้มใจไม่ยอมกินไม่ยอมนอนพ่อแม่ก็มาแนะนํามาขอร้องมากินเถอนนอนเถอนนะก็ไม่ยอมเอาแต่อะไรเสียใจในของที่สูญหายไปถูกขโมยไปอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองหรือรักทรัพย์กันแน่อย่างนี้เรียกว่ารักทรัพย์หรือว่ารักตัวเอง คนสวรรค์นี่รักทรัพย์เนี่ยมากกว่ารักตัวเองรักเงินมากกว่ารักตัวเองไหนไหนเนี่ยจะมีตัวมีตนแล้วเนี่ยยึ่งยึดมาในตัวตนอยู่อย่างน้อยก็ให้รักตัวเองให้เป็นนะก็คืออย่าไปซ้ําเติมตัวเองอย่าเบียดเบียนตนซึ่งถ้าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะก็ต้องมีสติมีความรู้สึกตัวให้ไวเพราะถ้ามีสติมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะวางความเศร้ามันจะวางความทุกข์ได้ไวได้เร็ว และสติความรู้สึกตัวนี่แหละนะที่จะเป็นอุปรกรณ์ที่ทำให้เราได้เห็นความจริงขั้นปรมามัติได้จกนกระทั่งเห็นว่าโอ้ที่แท้มันไม่มีเรานะมันมีแต่รูปกับนามีแต่ขันท่ามันก็จะปล่อยวางได้ความยึดว่าเราของเราตัวกูของกูก็จะเบาบางและพอไม่มีตัวนี้แล้วเนี่ยความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยมันก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีแต่ความทุกข์กายมีแต่การสูญเสียทรัพย์นะแต่ว่า ไม่มีความทุกข์ใจนะีก็ฝากาไว้นะค่ำนี้กลับพร้อมกัน